Book 2 64 6สสรตการปฏิเสธหนึ่งองคเงนงีดิฉันไม่เข้าใจคำศัพท์อัรสตันนี่ดีวูร์ตนี่ดิฉันไม่เข้าใจประโยค เอกฟอร์สตอร์นี่ดีเซนดิฉันไม่เข้าใจความหมายเอกฟอร์สตอร์นี่ดิเกนส์นคุณครูดีอันเดอร์ไวเซคุณเข้าใจคุณครูไหมคะฟอร์สตอร์นี่ดีอันเดอร์ไวคะดิฉันเข้าใจท่านดียอ อกฟังคุณครูคุณครูเข้าใจคุณครูไหมคะเข้าใจคุณครูไหมคะดีงเันเข้าใจค่ัเข้าใจีุณครูไมคะุณูค้ค คุณเข้าใจผู้คนไหมคะ die ไม่ดิฉันไม่เข้าใจพวกเขาสักเท่าไหรค่ค่ะเนี่ยแอกฟอร์สตันนี้สุขุนีเพื่อนหญิงแฟนดิฟรินเดนคุณมีแฟนไหมเฮตี้อัฟรินเดน ค่ะดิฉันมีเยออาคิดลูกสาวดิด็อกเตอร์คุณมีลูกสาวใช่ไหมเฮตี้ด็อกเตอรไม่ดิฉันไม่มีลูกสาวเนียอาคิดนี่